สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมในท่ก่อนคนชอบเหล้าอันที่จริงแล้ววันนี้ผมอยากทําใจให้มันสงบสงบครับนั่งอ่านหนังสือเรื่อยๆสบายๆแต่ว่าพออยู่เฉยๆก็ฟุ่งซ่านก็เพราะวันนี้ครบกําหนดแล้วครับกับ1เดือนที่รอคอยรอบที่2ว่าทาง YouTube จะอนุมัติให้ไหมแล้วก็ไม่รอช้าครับผมส่งเมลไปถามเลยคําตอบก็ต้องรออีกวันสองวันนี่แหละแล้วระหว่างที่รอคอยผมว่าเราไปฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกกันดีกว่าครับ เราจะมาเริ่มต้นกับเรื่องราวของคุณสิทธิพงศ์ครับแล้วเรื่องราวก็มีอยู่ว่าสวัสดีครับผมชื่อโต๊ะอาศัยอยู่อำเภออุ้มผางครับเหตุการณ์ที่ผมจะเล่านี้เป็นเรื่องที่ผมเจอมากับตัวเมื่อตอนอายุได้12ขวบเอ้ยสิปีใช้คําว่าขวบมันจะดูเด็กไปตอนนั้นถ้าจะว่าไปผมเองก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรดีก็ประมาณวัยรุ่นตอนตอน้นสิ่งที่ผมชอบมากในเวลานั้นก็คือการหากวางหรือตัวร่วงนี่แหละผมชอบมากว่าเมื่อไหร่เป็นต้องไปหา ได้มาก็มี2เขาบ้าง3มเขาบ้างและเพราะการชอบกว่างหรือตัวร่วงของผมนี่เองที่ทําให้ผมได้เจอกับเรื่องราวปรแปลกๆผมจําได้คืนวันศุกร์ผมเอาไปหากว่างตอนตีสองทาเลที่ไปก็เยี่ยมมากไกลจากบ้านประมาณครึ่งกิโลเมตรเป็นสถานที่ซึ่งเงียบสงบ ก, ก็คืออยู่ใกล้กับป่าช้าเป็นสถานที่ที่ผมชอบเข้าไปหากว่างเกือบทุกวันเวลาที่ติดสอยให้ตามพ่อกับแม่ไปทํางานพ่อกับแม่บอกว่าป่าช้าที่ผมก็ไปหากว่างเนี่ยผีดุมาก แต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าผีคืออะไรและหน้าตาจะเป็นยังไงจะว่าไปก็ไม่เคยเจอด้วยอย่าแปลกใจเลยครับนั่นก็เพราะว่าผมเป็นเด็กซืรอจริงๆแล้วโดยปกติผมก็ไปหากวางตอนกลางวันนี่แหละแต่คืนนั้นผมนึกคึกก็จะไม่ให้คึกได้ยังไงเล่าเพราะว่ากวางตอนนั้นราคาดีมากกวางแต่ละตัวที่ผมไปจับมาได้มีคนมาขอซื้อตั้งตัวลนะส0งแน่คิดดูแล้วกันได้ค่าขนมตั้งเยอะคืนนั้นผมแอบพ่อกับแม่ออกไปหาจําได้เลยตอนตี2 เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยไม่ลืมคือไฟฉายผมค่อยๆย่องออกจากบ้านเดินทางไปหากว้างค่อยๆเดินฝากความมืดเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางตอนนี้ยังบอกตัวเองไม่ได้เลยว่าทําไมตอนนั้นฉันกล้าหานนักเมื่อไปถึงทําเลทองผมก็ตั้งใจหาและก็หาได้มากซะด้วยผมหากว้างด้วยความเพลิดเพลินท่ามกลางบรรยา ก, กาศที่มืดมิดรอบกายใช้เวลาหากวางประมาณหนึ่งพอได้เยอะมากๆก็อยากจะกลับบ้านแล้วแน่นอนผมต้องรีบกลับก่อนที่พ่อแม่จะตื่นขึ้นมา เราตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอผมแล้วรู้ว่าผมไปไหนแล้วก็เปอร์เซนต์ที่จะโดนตีมีเต็มร้อยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวได้จํานวนกว่างสมดังใจก็มุ่งหน้าเดินกลับบ้านทันทีแต่ก็ไม่ได้รีบมากเดินเรื่อยๆ อ, อากาศตอนนั้นเย็นสบายและระหว่างที่ผมกำลังเดินกลับนั่นเองแต่ยังไม่ผลจากบริเวณนั้นช่วยด้วยช่วยด้วยผมหยุดกึกเอ๊ะเสียงใครมาร้องให้ช่วย ผมเหลียวซ้ายและขวาเพื่อหาที่มาของเสียงมองซ้ายก็ไม่มีมองขวาก็ไม่มีหน้าหลังก็เหมือนกันออผมลืมบอกไปตรงบริเวณ น, นั้นมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งแต่มองไปแล้วก็ไม่มีนะผมส่องไฟฉายหาจนทั่วช่วยด้วยเสียงก็ยังดังเหมือนอยู่ใกล้ๆนี่แหละรู้สึกว่าจะดังมาจากทงางศาลาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ผมยืนนักแต่ส่องไฟไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร ช่วยด้วยเสียงร้องให้ช่วยก็ยังดังอยู่ที่เพิ่มเติมก็คือเสียงดังตึบต๊บเหมือนกับไม้โดนกระแทกผมมั่นใจว่ามันดังมาจากถึงศาลาผมส่งไฟไปอีกรอบแต่มันก็ไม่มีอะไรเห็นแต่ศาลาโล่งๆมืดๆช่วยด้วยเอ๋แต่เสียงก็ยังอยู่นะตึบตึบตึบผมค่อยๆส่องไฟสายขึ้นไปส่องขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผมก็เจอกับสิ่งหนึ่งนั่งอยู่บนหลังคาศาลา ผมเห็นผมคิดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าใครเพราะปล่อยผมยาวลงมาปิดหน้าทั้งหมดเลยกำลังนั่งก้มหน้าห้อยขาแกว่งขาเล่นกระทบกับศาลาดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บคิดว่าเสียงร้องให้ช่วยต้องนั่มาจากเธอแน่นอนช่วยด้วยนั่นไงเธอร้องให้ช่วยอีกแล้วผมได้แต่ยืนงงแล้วก็จ้องมองดูว่าเธอเป็นอะไรนะใครรังแกเธอเนี่ยและทำไมต้องขึ้นมานั่งบนนั้นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของผมผมก็เลยว่าจะกลับ แล้วสิ่งที่ทําให้ผมต้องตกใจก็เกิดขึ้นนั่นคืออยู่ๆเธอก็หายวับไปเลยผมตกใจมากเป็นไปได้ยังไงแล้วอยู่ๆผมก็มีอาการกลัวสุดขีดเกิดขึ้นรู้โดยอัตโนมัติทันทีว่า น, นี่แหละที่เขาเรียกว่าผีผมวิ่งหนีสุดชีวิตทําความเร็วมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมรู้สึกว่าตัวเองวิ่งเร็วมากแป๊บเดียวถึงบ้านเลยพอถึงบ้านเข้าบ้านได้ผมก็รีบมุ่งเข้าที่นอนเอาเพื่ผมคลุ้มโปงนอนเลยผมคลุ้มโปงด้วยความกลัวจนพลอยหลับไปด้วยความเพลียเช้าขึ้นมาก็ไข้กินสิครับ ผมมีอาการเผอทั้งเช็ดตัวทั้งให้กินยาก็ไม่หายพ่อแม่ตกใจจนแม่ต้องไปตามยายมาทำขวัญให้ผมใช้เวลาวันสองวันผมถึงได้หายดีได้และหลังจากที่ผมรู้จักคำว่าผีแล้วก็กลัวผมก็ไม่บังอาจหนีเอาไปหากวางอีกเลยและพอต่อมาอีกสองปีผมอายุ14ผมก็มีโอกาสได้ย้อนกลับไปถามคนแก่แถวนั้นแกก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นน่ะเคยมีผู้หญิงท้องมาถูกคอตายที่ศาลานั้นแกว่าก่อนผมจะเกิดเสียอีก ผูขอตายแล้วดวงวิญญาณก็ไม่ได้ไปไหนอาจจะรอคนรักที่หนีเข้าไปก็ได้เขาผูกขอตายเพราะเมื่อเขาท้องแฟนก็หนีไปหาสาวอื่นผมได้ฟังอีกครั้งคนก็ยังลุกไม่หายเลยและนี่ก็คือประสบการณ์ของผมครับดูท่าทางเหมือนจะสั้นไปเราจะไปต่อกันที่เรื่องราวของคุณปอปุ้นโสดสวัสดีผมชอบชื่อนี้จังเลยครับและเช่นเดิมครับคุณปอปุ้นโสสวัสดีเป็นสุภาพสตรีผมก็ขอใช้คํำสรรพนามแทนตัวว่าเราในการถ่ายทอดนะครับ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสวัสดีเราชื่อข้าวอายุ20ปีเรามีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสปีที่แล้วประมาณช่วงปลายปี59ขณะนั้นเราเพิ่งได้กลับมาบ้านของเราที่โคราชเพราะเราเพิ่งจะลาออกจากงานในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เราเพิ่งคบกับแฟนได้ไม่ถึงปีอยู่ในช่วงอินเลิฟกำลังหวานสุดๆแต่เรากับแฟนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเราใช้วิธีติดต่อสารสัมพันธ์รักกันด้วยโทรศัพท์การสื่อสารไร้พรมแดน เรามักจะโทรศัพท์คุยกันตอนกลางคืนที่นี้จะขออธิบายลักษณะของหมู่บ้านเราก่อนนะบ้านในหมู่บ้านของเราจะหันหน้าเข้าหากันโดยมีถนนขั้นกลางและด้วยความที่หมู่บ้านอยู่ติดตีนเขาทําให้พื้นที่เป็นทางลาดลงสู่ถนนในวันที่เรากลับมาถึงบ้านวันแรกแม่ก็เตือนเราว่าอย่าออกมาเพ่นพ่านตอนกลางคืนนะเพราะที่นี่เวลากลางคืนมันอันตรายเราก็ได้แต่ฟังแล้วก็พยักหน้ารับไป ใครจะไปเชื่อราโตแล้วนะบนรรลุนิติภาวะแล้วด้วยไหนจะเลือกตั้งได้อีกเราก็เลยดือ้อออกมายืนคุยโทรศัพท์กับแฟนที่ลานหน้าบ้านตามปกติจนดึกๆื่นเราก็ออกมาคุยโทรศัพท์กับแฟนตอนกลางคืนดึกดืกด่นอนี้จนผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรอย่างที่แม่เตือนนะก็ไม่เห็นว่ามันจะน่ากลัวอะไรจนกระทั่งถึงคืนวันโกนเราก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าวันอะไรเราก็ยังคุยโทรศัพท์กับแฟนเหมือนเดิมเราก็นั่งคุยโทรศัพท์กับแฟนเราไปถึงประมาณ4ี่ทุ่มได้ เรานั่งคุยแล้วก็หันหน้าไปทางบ้านตรงข้ามคุยไปก็มองไปเราก็เห็นว่าบ้านนั้นมีพุ่มมะม่วงเตี้ยๆอยู่ต้นหนึ่งเราก็ไม่ได้สนใจคุยไปเป็นเพลินมองไปเรื่อยพักหนึงระหว่างที่คุยกับแฟนเส้นตาของเราก็ไปเห็นสิ่งหนึ่งเข้ามันคือลูกไฟลูกหนึ่งขนาดเท่าลูกบาสมีแสงสีเขียวเรื่องๆมันพุ่งลอยระลิ้วผ่านพุ่มมะม่วงแสงของมันลอดผ่านช่องว่างระหว่างใบมะม่วงอย่างรวดเร็วเฮ้ยอะไรวะ เราตกใจนิ่งไปพักหนึ่งจนแฟนถามเราว่าเป็นอะไรเหตุใดทำไมเงียบเราก็ไม่ได้บอกแฟนได้แต่เก็บความสงสัยไว้พอคุยกับแฟนเสร็จเราก็รีบเข้าบ้านเข้านอนพอตอนเช้าก็เอาเรื่องไฟที่เจอไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแต่พวกท่านก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่เงียบเราก็คิดว่าไม่เป็นไรสงสัยท่านจะคิดว่าเราตาฝาดแล้วเหตุการณ์ก็เป็นปกติต่อมาอีก3มคืนกลางดึกคืนนั้นเวลาเกือบจะตีหนึ่งได้เรามีอาการปวดท้องเบาขึ้นมา ก็เลยเรียกปลุกพ่อให้ไปเป็นเพื่อนเข้าห้องน้ําหน่อยที่ต้องเรียกพ่อให้ไปเป็นเพื่อนก็เพราะว่าห้องน้ํานั้นอยู่นอกตัวบ้านพอเราทําธุระส่วนตัวเสร็จเราก็เดินออกมาจากห้องน้ําแล้วสายตาของเราก็เหลือไปเห็นลูกไฟดวงหนึ่งอีกแล้วตอนนี้มันกําลังลอ ย, อยอยู่ใต้ถุนบ้านตรงข้ามเราจ้องมองดูมันด้วยความสงสัยว่าไฟอะไรแล้วมันก็ลอยไปลอยมาวินวนอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนั้นพ่อพ่อนั่นไฟอะไรนะ่ะเราเรียกพ่อให้มาดูมันเออมันคงจะมาหาใส่ปลากินน่ะ พระบา น, นั้นเขามีอาชีพทําปลาเค็มขายขี่ป้าก็ทิ้งไปตรงแต่ถุนบ้านนั่นแหละพ่อบอกเราแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าไฟดวงนั้นคือไฟอะไรจนรุ่งเช้าของอีกวันก็มีป้าคนนึงเหมือนกับว่าจะเป็นเพื่อนบ้านกับพ่อแม่ก็ามาหาเราที่บ้านจะสําหรับเราไม่รู้จักเลยเพราะเราไม่เคยเห็นเธอได้เข้ามาหาเราก็ามานั่งคุยตามประษาพเพื่อนบ้านทำสารทุก์สุกดิบกันตามปกติเวลานั้นพ่อกับแม่เราก็ไม่อยู่ด้วยคือก็ได้สักพักหนึ่งแล้วเธอก็ขอตัวกลับไป พอตกเย็นพ่อกับแม่เรากลับมาเราก็รีบเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่ามีป้าคนหนึ่งมาหาที่บ้านหลังจากที่เราบอกลักษณะของป้าคนนั้นไปแม่เราก็พูดขึ้นว่าคืนนี้ระวังมันมาหาเองแน่ประโยคที่แม่พูดนั้นทิ้งความคาใจกองใหญ่ไว้ให้เราเลยและพอตกดึกคืนนั้นเราก็ทําภารกิจของเราคือโทรศัพท์กับแฟนเหมือนเดิมก็หวานชื่นเรื่อรื่นใจเหมือนเคยแต่คืนนี้ก็รู้สึกปแปลกๆมันมีความรู้สึกเย็นสันหลังคนหัวลุกยังบอกไม่ถูก มอดูตามแขนก็สแตนด์อัพขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงมันวิววิยังไงก็ไม่รู้สิเราก็คุยไปมองรอบกายไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ได้ความเพลอดเพลินนะครั้งนี้รู้สึกระแวงมากกว่าบรรยากาศรอบกายทําไมวันนี้มันดูไม่น่าไว้วางใจและสายตาเจ้ากรรมของเราก็ได้ไปเห็นดวงไฟลูกนั้นอีกแล้วซึ่งตอนนี้มันอยู่ห่างจากเราเพียง50เมตรได้เรานิ่งตะลึงไปชั่วครู่ไฟอะไรกันเนี่ยมันลอยสูงจากพื้นประมาณ2เมตรกว่ามันลอยนิ่งๆไม่ไหวติง สัมผัสได้เหมือนกับว่ามันช่องมองมาที่เราดูว่าเรากํำลังทําอะไรอยู่แล้วก็ตามสัญชาตญาณกับความตกใจพ่อแม่ช่วยด้วยไฟอะไรก็ไม่รู้เราร้องตะโกนเสียงดังโวยวายเพื่อเรียกให้พ่อกับแม่ออกมาช่วยแล้วพอพ่ อ, พ อ, พอกับแม่เราออกมามันก็ลอยหายลับไปกับทิวไม้รวเวราเหงอและก็กลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากแล้วต่อมาอีกไม่นานมีแขกเข้ามาเยี่ยมที่บ้านเขาเป็นคนต่างถิ่นแม่เราได้ทําการจัดหาที่หลับที่นอนไว้ให้เขาในบ้านเพื่อค้างแรม แต่แขกคนนั้นกลับปฏิเสธเขาอยากนอนที่แคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านเขาบอกว่าเห็นว่าลมเย็นดีน่านอนและทุกคนในบ้านเราด้วยความให้เกียรติแขกจึงไม่ได้แคดค้านอะไรและเพราะการตัดสินใจของเขานั่นเองทำให้เขาได้เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ ม, มีวันลืมเขาเล่าถึงสิ่งที่เจอให้ฟังว่าเขากำลังนอนสบายๆแต่เขาก็ต้องมีอันบัตรุ้งตื่นกลางดึกเพราะเขารู้สึกว่าได้สัมผัสกับมือมือหนึ่งมือปริศนาซึ่งน่าจะมีเล็บที่ยาวมากกำลังรูปอยู่ที่หน้าผากของเขา ตอนแรกรู้สึกตัวเขาก็ยังไม่ได้ลืมตาพยายามตั้งสติคิดจีิงไหมหรือใบหญ้อะไรมันปลื้มมาหรือเปล่าแต่พอสติตื่นขึ้นเต็มตัวเขาก็รู้สึกมั่นใจว่าที่โดนหน้าผากของเขานะ่ยคือมือกำลังลูบนหน้าผากของเขาเบาๆพอสํานึกได้ความกลัวก็เข้ามาครอบงำเขารู้สึกหนาวสัณานตั้งแต่ไถถอยลงไปยันหลังเขาก็ค่อยรีตาขึ้นและเงยหน้าขึ้นไปมองสิ่งที่ปรากฏให้ตาเขาเห็นก็คือเจ้าของมือปริศนาเล็บยาวที่ลูบหน้าผากเขาอยู่นั้น เป็นหญิงแก่ผมยาวปิดหน้ากำลังนั่งยองๆ อ, อยู่บนแคร่ไม้ไผ่ที่เขานอนตรงหัวมีดวงตาที่แดงน่ากลัวกำลังจ้องมองมาที่เขาพร้อมเลือดกลิ่นสาบฉุนยังรุนแรงพอเขาสบตากับร่างหญิงแก่ได้สักครู่ร่างนั้นก็จางไปเหมือนหมอกสลายเขาตกใจล้กขึ้นมานั่งหันซ้ายหันขวามันก็ไม่มีอะไรเขาก็คิดว่าคงจะฝันไปเขาเอ็นตัวลงนอนอีกครั้งพยายามข่มตาให้หลับและช่วงที่เขากำลังเคลิ้มจะหลับอยู่นั้น เขาก็มีความรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอีกเนี่ยเขาคิดารู้สึกโมโหลืมตาขึ้นมาและทันทีที่ตาลืมขึ้นเขาก็ต้องเจอกับหญิงชราคนเดิมคนนั้นคนที่เพิ่งจะจางไปแล้วคิดว่าเป็นฝันตอนนี้ชัดเจนกว่าเดิมมากเพราะว่าตอนนี้ตกากำลังตาแดงนั่งทับอกเขาอยู่นั่นเองเขาตกใจมากแล้วก็กลัวมากทำอะไรก็ไม่ได้เลยจะลุกขึ้นก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้มีนนำซ้ำสิ่งที่ทำให้เขาแทบช็อกก็คือ ยายแก่ตาแดงหน้ากลัวที่นั่งทับหน้าอกเขาอยู่เธอก็ค่อยโน้มใบหน้าหน้ากลัวของเธอเข้ามาใกล้ใบหน้าของเขาเขาลืมตาพลมเขม็งหลับตาไม่ได้ใบหน้ายายแก่ตาแดงใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทออยู่ในระยะห่างกันแค่ครึบยายแก่ตาแดงหน้ากลัวก็เป่าลมใส่หน้าเขาหนึ่งทีเขาขวนกระเจิงทันทีสติหลุดแล้วก็สลบไปพอรุ่งขึ้นเขาก็เล่าเรื่องราวให้พวกเราในบ้านฟังแล้วก็ยังสัญญาว่าจะไม่กลับมาเหยียบที่หมู่บ้านนี้อีก และหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปได้ไม่นานด้วยความสงสัยของเราว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้พบไดเจอให้คุณแก่ในหมู่บ้านฟังและคําตอบที่เราได้รับก็คือผีปอบและปอบตนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือป้าเพื่อนบ้านของเราเองทั้งหมดที่เจอทั้งดวงไฟทั้งหญิงชราก็คือเธอเองคนเดียวคนที่มาคุยกับเรานั่นแหละส่วนสาเหตุที่ทําให้เธอกลายเป็นปอบนั้นเพราะเธอผู้แก่เล่าให้ฟังว่า เพระเธอเคยทำเสน่ห์ใสสามีของเธอเธอเดินสัตว์มนต์ดำมาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่เธอประพฤติผิดข้อห้ามของครูหรือเรียกว่าผิดครูนั่นแหละจึงส่งผลให้เธอกลายเป็นปอบถึงปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราได้ไปเจอมาขอยืนยันว่าทั้งหมดที่เล่านี้เป็นเรื่องจริงครับผมแล้วก็จบลงครับทีนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างไปฟังเรื่องราวจากคุณเพกาพันไม้หน้าปลูกต่อเขาจะพาพวกเราไปที่หวังผีปโป่ง หวังว่าคงพร้อมกันแล้วไปกันเลยแกรกตุบเออผมอุทานเป็นภาษาอีสานเมื่อร่างของผมตกผ่านม่านกิ่งไม้เล็กๆ ล, ลงมาถึงพื้นปืนแกป๊ปคู่กายที่ประกอบขึ้นจากฝีมือช่างระดับพระการตกอยู่ไม่ไกลนักผมตะเกียกตะกายลุกขึ้น เ, นเรียบคว้าปืนแกป๊ปคู่ใจมาไว้กับตัวพรานป่าอย่างผมยังไงก็ไม่ยอมให้ปืนห่างตัวเป็นอันขาดมันเป็นสัญชาติยานผมเริ่มสำรวจความเรียบร้อยของตัวเองรวมไปถึงลกกระปูดกับงูสิงที่ผมเพิ่งยิงมา ผมขยิมยิ้มด้วยความดีใจนี่แหละอาหารของเราผมนึกในใจและยังคิดภูมิใจที่ได้ไปล่อต่าอีกตัวหนึ่งที่กำลังท้องไปผมเป็นพรานป่าที่ออกล่าแค่พออิ่มเป็นนักล่าตามระบบนิเวศมิได้ล่าเพื่อการค้าหรือล่าเพื่อความฉลงใจผมออกล่าเพื่อประทังชีวิตแค่ปากท้องถึงกระนั้นสังคมยังตีตราพรานป่าทั้งหมดว่าเป็นพวกทำลายธรรมชาติในขณะที่นายทุนบางคนร่วมกันทุจริตกับข้าราชการบางพวก ออกเอกสารสิทธิ์เอาพื้นที่ป่าสงวนและเผ่าถางทาธุรกิจหรวยจรน้นฟ้ามากลุ้นไปด้วยบารมีสังคมกลับอวยให้เป็นเทวดาบูชากันคู่ไปผมเริ่มสำรวจบริเวณป่า ร, บรอบๆป่าไม้รกทึบต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมไปทั่วจนแทบจะไม่มีแสงแดดส่องผ่านมาถึงพื้นพื้นที่ตรงนี้เป็นทางน้ำไหลถูกกัดซอกมาช่วนาตาปีจึงกลายเป็นพื้นที่ยุบตัวบรรยากาศ ร, บรอบๆเย็นจะเยือกชวนขนหัวลุก ไร้ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ์ใดๆแตกต่างไปจากป่าทั่วๆไปที่ผมเคยสัมผัสมาผมรู้จักป่า น, นี้ดีชาวบ้านเรียกว่าวังผีโป่งด้กิตติศัพท์ความเฮี้ยนขอมผีโป่งที่มักออกมาหลอกหลอนชาวบ้านอยู่เป็นประจำทั้งปรากฏกายให้เห็นหรือมาในรูปแบบเสียงโจดขานเป็นตำนานจากรุ่นสู่รุ่นจนถูกเรียกว่าวังผีโป่งบ้าชิบพระอนอ ก, กระปูดบ้านนั้นแทๆ้ๆผมบ่นในใจถึงน ก, กระปูตัวหนึ่งที่ทำท่าหลอกล่อให้ผมไล่ตามจนตกมาอยู่ในสภาพแบบนี้ ที่จรงผมไม่อยากจะย่างกรายเข้ามาในบริเวณนี้สักเท่าไหร่ถ้าจะวังผีโป่งไปเป็นแก่งอารมณ์สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของวัยรุ่นหนุ่มสาวที่มักมาจับคู่เพรารักกันเป็นประจำหนุงตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงมากแล้วผมต้องรีบเดินไปให้ถึงแก่งอารมณ์ในใจคิดอยากจะออกจากป่าอันวังเวงนี้ให้เร็วที่สุดผมเดินได้สักพักกำลังจะออกจากวังผีโป่งใกล้จะถึงแก่งอารมณ์นุกระปู่เจ้ากรรมตัวเดิมกลับเต้นโย่อยๆท้าทายปลายกระบอกเปิน ด้วยสินชาติยานพรานป่าผมย่องเข้าไปอย่างเงียบกริบบริเวณนั้นมีต้นกระบกใหญ่มากประมาณ5้าคนโอบผมย่องเข้าไปแอบหลังพิงต้นกระบกใหญ่เล็งปืนเตรียมพร้อมรอจังหวะในใจคิดว่าก็เป็นอาหารถ้าไม่ล่าเขาเราก็อดนกกระปูดกระโดดเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสังหารผมเล็งปืนไปยังเป้าหมายหัวแม่มือขึ้นนกปืนนิ้วชี้เตรียมเหนี่ยวไกาจังหวะการเต้นของหัวใจเริ่มช้าลง รังสีอมิเหตและกลิ่นอายแห่งความตายคละคลุ้งไปทั่วบริเวณอย่าอย่าพอแล้วเฮ้ยเสียงอะไรก่อที่ผมจะลงมือเนี่ยวไกเสียงนึ่งดับดังขึ้นมากระทบสวประสาทของผมผมตื่นจากผวัาของนักล่าผู้เจนจัดจงังหวะหัวใจกลับมาเต้นรัวเป็นกรองชุดหมอลำซิ่งอย่าบอกว่อย่าเสีงเยงด้วยงรับนั้นดังขึ้นอกีกน้ำเสียงเต็มไปด้วยอารมณ์ผมมองหาต้นเสียงหันซ้ายแลขวา ย, ยังไงก็ไม่เจอตู ว, ว่าละ่ะตัดนละผีโป่งเล่นงานตัวละ ในหัวผมกลับนึกถึงเรื่องที่ไม่สมควรจะนึกขนหัวผมลุกตั้งชันหัวใจปเป็นจาผู้เกลียงไกลกลับร่วงลงมาถึงจุดต่ำสุดเท่านั้นแหละผมลุกขึ้นกระโจนวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตผมวิ่งหนีแบบฝันกระเจิงผมกลับมาถึงบ้านด้วยอาการเหมื่อยล้อยช็อกสุดขีดแต่ด้วยศักดิ์ศรีของพรานป่าผมไม่บอกใครผมอายที่จะบอกทุกคนว่าผมกลัวผีสองสมวันต่อมาอาการผมดีขึ้นผมเข้าไปดูต้นไม้ที่โรงเพาะชำกรอกถุงเพาะชำตา ม, ตามปกติ แตเรียนพราต้นไม้ส่งลูกค้าไอดอนไอดอนเสียงทิดโค้ดังมาก่อนที่รถมอเตอร์ไซค์คู่กายของมันจะจอดเสีอีกทิดโคเป็นน้องในหมู่บ้านเดียวกันกินเล่นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กผมพลาดจัดงานเดินไปหาแล้วถามถึงจุดประสงค์ว่าจังไดโคผมถามทิดโคเป็นภาษ า, ษาอีสานแปลว่าอย่างไงอ๋อว่าซิมาถามไอ้ดอนว่ามือนั่นไอ้ดอนวิ่งหนีอี้หยังอยู่ว่างผีโปง่งผมเดินกับสะดุง้งเพราะเรื่องนี้ผมไม่เคยบอกใครและทิดโค้มารู้ได้ยังไงว่าผมวิ่งหนีวันนั้น โต้คือหูวว่าไอวิ่งหนีอยู่ว่างผีโปงผมถามกลับด้วยความสงสัยว่ารู้ได้ยังไงในขณะที่ทิดโคยิ้มกรุ้มกลิ่มแล้วตอบว่าคอยก็ยู่ข้างหลังต้นกระบกใหญ่นั่นละ่ะพอดีพ้าผู้สาวไปแถวเล่นอยู่แก่งอารมณ์คนมันหลายเลยพากันไปหาหมองเงียบเงียบคุยกันอยู่ว่างผีโปงกำลังสิเขาใดเขาเข้มกับผู้สาวจ้บทถึงใสผู้สาวก็บอกว่ายายาก็เห็นในดอนกระโจนวิ่งออกจากหลังต้นกระบกใหญ่คอยตกใจเก็บเสื้อผ้าได้ผ้าผู้สาววิ่งหนีคือกัน คงไม่ต้องแปลสิ่งที่ทิดโคพูดมันน่ากลัวถ้าแปลไปเดากันเวเองนะทิดโคเว้นวักการพูดผมได้เอื้องไปชั่วขณะพอเรียบเรียงเหตุการณ์ได้แล้วทิดโคก็ถามผมอีกว่าว่าแต่อัย้อนวิ่งหนีอี้หยังผมไม่ได้ตอบทิดโคว่าวิ่งหนีอะไรได้แต่หัวเราะหัวเราะเหมือนคนบ้าหัวเราะจนปลิ่มจะร้องไห้ได้แต่นึกในใจว่ามึงมึงครับผมแล้วเรื่องราวก็จบลงไป3ามเรื่องเรื่องแรกของคุณสิทธิพงษ์ เรื่อง2ของคุณปอปุ้นสวัสดีและเรื่องสุดท้ายจากคุณเพกาพันไม้หน้าปลูกก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดแล้วจบจากคลิปนี้ผมก็ขอพักเราจะเจอกันอีกทีในวันที่1เดือนหน้านะครับช่วงนี้ขอพักกายพักใจลุ้นรอคําตอบจาก YouTube นะครับขออนุญาตไปลุ้นก่อนครับว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ก็ขอทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์